มาถึงสุรอะลฮัจสุรที่ยี่สิบสองนะครับแล้วก็อายที่ยี่สิบเจ็ดวันนี้อัลละหมดลิลละก่อนหน้าอายาที่ยี่สิบเจ็นี่ขอทบทวนเล็กๆน้อยๆนะอายาที่ยี่สิบหกเราอ่านคุรานนะครับยี่สิบหกนะว่าอิบาวะนาลีอิบรอฮิมะมะกาณัลเบิด Ah Allah ตุษริกบีชัยยะวะพะฮ์รบาอตียะลิตต้าอิฟีนววะล์คอมีนวะรุกะซูจุดอาญาณีอรรถต้องการจะสอนอะไรเราต้องการจะสอนบอกว่านบีอิบราฮิมเนี่ยเป็นผู้บุกเบิก อาคารใบตุลลอแล้วก็ผู้ที่บอกว่าอาคารใบตุลลอเนี่ยอยู่ตรงม ก, กากปัจจุบันนี้นะใครบอกอัลลอ์บอกม่ใช่นบีอิบรอฮีมรู้เองนะอัลลอ์บอกบอกแบบไหนนะชี้แบบลับๆม ก, กากนั้นใบสถานที่ที่สร้างกบาบ้านนี้นะอัลลอ์เป็นคนชี้นำต้องการจะบอกว่าให้สร้างกบาบ างอาคารซึ่งรากฐานเดิมมีอยู่แล้วนบีก่อนหนะ้นานบีอิบรอฮีมก็มีนบีอาดัมสองนบีนวัวนบีอาดัมเนี่ยก็อายุยาวนะพันปีนะครับส่วนนบีนวก็เก้ายห้าสบปีนะที่สอนศาสนานะแล้วก็ก่อนนั่น ล, ละ่ะ ก็ผมว่าพอพอกันแหละพันกว่าทางนั้นนะผมเนี่ยท่านสองทราเนี่ยก็มาต่อว่ากามบ้าแล้วกามบ้ามันก็หายไปแล้วก็นบีอิบรอฮีมเนี่ยมาอะไรนะขเรียกอะไรมาสร้างอาคารใหม่พอสร้างเสร็จเนี่ยนบีอิบรอฮีมกับนบีอิสมาห์นี่ขออุทิศโอ้ล l l a h รับ แต่ก็บัรมินาบทรับการงานที่เราทําด้วยตรงนี้สอนเราเยอะนะหลังกากท่านพี่น้องหลังจากพวกเราเนี่ยนามาจบขอรูอาด้วยอลัลลอฮฺจะรับนามาที่เราทําด้วยทําความดีอะไรก็ตามบนโลกดุนยาไปนี่พอทําเสร็จแล้วนึกถึงอลัอลลอฮฺอัลลอฮฺช่วยรับความดีที่เราทําด้วยเถิด ข้อที่สองเมื่อสร้างกบาบมาแล้วอัลลอฮ์สั่งนบีอิบราฮีมอัลลอฮ์ตุชริกบีชายาสร้งสั่งนบีอิบราฮีมว่าไงนะจงอย่าตั้งภาคีใดๆงานใหญ่นะงานสอน <c oughs> หัวใจคนให้สะอาดดีมาใช้งานเบางานหนักนบีอิบราฮีมทำสำเร็จไหมสำเร็จครับ Allah ตุศริกบีชายาอยาให้ใครเนี่ยตั้งภาคีกับ Allah Allah นี่งานใหญ่มากเลยครับแล้วต่อมาครับว่ตอเฮระใบตี <ti> และจัดแจงบ้านของฉันหลังนี้ให้สะอาดอะไรทำด้วยละ่ะจัดแจงบ้านหลังนี้ให้สะอาดคำว่าสะอาดเนี่ยไม่ใช่สะอาดภายนอกอย่างเดียวนะต้องสะอาดภา ย, ภายในด้วย คือหัวใจของคนเนี่ยต้องสะอาดทั้งภายนอกและภายในอัลลอฮ์เนี่ยภายในเนี่ยภายในอธิบายยังไงต้องไม่เคารพสิ่งอื่นใด น, นอกจากอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นสรุปจากกุญานที่ที่เราเรียนมาตั้งแต่อลิฟลามเรื่อยมานี่ยสรุปแล้วนะกุญานต้องการจะอธิบายว่าเรื่องเตาเฮตเรื่องอาติดะเรื่องใหญ่ที่สุดสังเกต นบีอิบรอฮิมมลายิสาลามมีภรรยามีลูกใช่ไหมไปสวรรค์กันหมดนบีนว่ยอยู่ในสวรรค์แต่ภรรยาท่านไปไหนนรกเพราะอะไรครับเพราะเรื่องอะกิดะทาั้งๆ ท, ที่นอนอยู่บนเตียงเดียวกันกับท่านนบีอิบรอฮิมจนั้น น, นบีนุ่ยกินอาหารหม้อเดียวกัน การอยู่บ้านหลังเดียวกันคุยกันแต่ภรรยาลงนรกส่วนสามีขึ้นสวรรค์นาคิดครับภรรยาอบีลูยก็เหมือนการเรื่องอักีได้อย่างเดียวที่นางต ก, กนรก ท, ทั้งที่อยู่บ้านหลังเดียวกันกินอาหารหม้อเดียวกันนอนบนที่นอนเดียวกันแต่ตกนรกเพราะเรื่องอักีด้เอามาดูภรรยาของฟาโร่ก็เหมือนกัน พาฟาโรชื่อนางอาซียาตัวอาลีบนำไปตัวอินาอาซียานางไปสวรรค์ส่วนสามีไปนรกเพราะอะไรครับเพราะนางอาซียามีอากีด้าไม่เหมือนสามีนางอาซียามีอาคีด้าเชื่ออัลลอฮ์องเดียวผ่านนบีคนไหนนบีมูซาอะไรอิสตัามครับเรื่องอาคีด้าเรื่องใหญ่มากเลยครับ แค่ท่านวันนี้อัลลอฮฺให้เรามีบ้านหนึ่งหลังมีภรรยาหนึ่งคนมีลูกเจ็ดบางคนเยอะยี่สิบดูแลลูกดูแลบ้านของเราให้สะอาดอย่าให้มีอะไรนะ่ะเจเวตอยู่ในบ้านหลังนี้แค่ น, นั้นต้องพูดต้องพูดพ่อต้องพูดแม่ต้องพู ด, พ ด, พดเรื่องอะไรนะเรื่องครอบครัวเรื่องลูกๆเนี่ยให้กลัวอัลลอฮฺอย่าให้กลัวผี หลายคนนี่นะกรมลูกเนี่ยหลอกกระผีอย่างเดียวหลอกผีแล้วก็หลอกอะไ้อีกล่ะหลอกต๊กแกแล้วก็หลอกตำรวจอัลลอฮ์มักวัดฉะนั้นไม่ได้ไม่ได้พูดชมเรื่องอัลลอ์เลยฉะนั้นพ่อแม่ที่ฉลาดนั้นต้องให้ลูกรู้จั ก, กอัลลอฮ์และ ก, กลัวอัลลอฮ์ سبحانه แะตาเรื่องอักีดา้าเรื่องใหญ่ครับเรื่องอักีดา้าเรื่องใหญ่ฉะนั้น ใครจะไปแต่งงานกับนอมุสลิมเนี่ยต้องอะไรนะต้องเข้ามุสลิมต้องเข้าใจเรื่องอกักดีดาก่อนถึงจะแต่งงานได้รอว่าเรื่องใหญ่มากครับอา้าต่อมาอายาที่ยี่สิบเจ็ดนะครับ <c oughs> و ินฟิ ي الناس ب ا ل ح จ يأتوا ك ا ل ج ا ل า وعلى كل ضامر ي أ ت ي ن من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوا كرجال ا وعلى كل ضامر ي أ ت ي ن من كل فج عميق Allahamdulillah Allah Akbar นี่พูดเรื่องฮะยีพอกีฮะยีก็จะมาแล้วสิ Allah Akbar Allahu Akbar นี่เรากำลังพูดเรื่องเรื่องที่ไปที่มาของฮะยีนะเริ่มตั้งแต่เมื่อไรจะอ้ายานี้สอนครับว่าอัดดินฟินานลลาส Allahu Akbar จองอะไรนะอัดดินบ่าวงจงประกาศ อาซินประกาศอาจารน่ะอาจาร์อาซินแปลว่าจงจงประกาศฉะนั้นรางวัลของคนที่อาจารที่มัสยิดคนที่เป็นกะนั้มูอาซินดูโตบิลลานี่นะเป็นชาวสวรรค์ครับถ้าเดินอาจารติดต่อกันทําหน้าที่ติดต่อกันกี่ปีแปดปีทำดูดีลยมัดเกินแปดปียังมันไดสามปี สิบสามโอ้ทำดุเรลพลาแล้วประกาศคนให้มาให้มาทำนะมาด่มันงานใหญ่นบีอิบราฮีมนั้นอัลลอฮ์สั่งว่าอัลซินฟินนสัสและได้มีบอกแกนบีอิบราฮีมว่าอิบราฮีมเอ๋ยว่าอัดซินจงประกาศฟินนสัสแกมนุษย์ทั้งหลายให้ไหม ไม่ใช่เฉพาะมุสลิมสังเกตสเกตภาษาอาวาร์ซินฟินนส่สมนุษย์ทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะมุสลิมเรื่องอะไรครับบิลฮัจญ์เรื่องการทำฮัจญีอัลลอฮฺวันนั้นนะ่ยฮัจญียังไม่มีกาบะใช่ไหมพอสร้างกาบะเสร็จนะรู้ปล่าหินนะั่นนะภมอ่านนี่อ่านประวัติ ตอนสร้างกาบาเนี่ย <c oughs> พอกำลัง ส, ง, สงสร้างสร้างสร้างสร้างสร้างไปไปไปเจอที่ที่ที่จะวางหินดำเนี่ยไม่พอ น, นบีมพพีความรู้สึกแล้วว่าเออมันมันต้องวางหินที่ดีที่สุดน่ะนบีอิบรอฮิมบอกอิสมาอิลลูกไปหาหินที่ดีที่สุดเนี่ยเอามาวางไว้ตรงนี้นบีอิสมาอิลก็เดินหาหาห า, หาระหว่างที่เดินหาพอกลับมาเห็นนบีอิบรอฮิมเอาหิน ก้อนใหม่มาวางแล้วลูกชายกระถามพ่อพ่อเอาหินอะไรอ่ะพ่อบอกว่าจิบรีนนำมามาให้ฉันไปกินอัลลอฮฺอักบเอามาวางไว้พี่น้องอัลลอฮฺอักบนั่นอ่ะหินนี่มาจากสวรรค์ครับที่มาจากสวรรค์มีไม่กี่อย่างละครับบนโลกลุนยาเบนี้หนึ่งหินดำนะ่ะมาจากสวรรค์สองอั จ, จวะ อินเดพาลามที่ท่านนาบีชอบนะมาจากสวรรค์สามต้นไซตุลมาจากสวรรค์ครับต้นไรต้นมะก อ, อกอะมะกอกจะได้ ใ, ใครที่ทานมะกอกไงนะเม็ดสองเม็ดกินน้ํามันอะไรก็ดีสุขภาพแข็งแรงนะเอาสองสารายการเนี่แล้วก็แพรเหมือนกันแพรของนบีอิบราฮิมที่เชื่อแทนนบีซุลต่านมาจากสวรรค์ มันมีอยู่ไม่กี่รายการที่มาจากสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานาหูวาตาเลยนะครับว่อัลเินฟินน่าอัลลอฮ์นบีอิบราฮีมอัลลอฮ์สั่งอิบราฮีมเอ่ยจงประกาศเรื่องการทำหัจจ์กับใครนะกับมนุษย์ทั้งหมดแล้วก็ในตัฟซินอธิบายบอกว่าฉันจะประกาศยังไงอัลลอฮ์บอว่ามุฮัมม uh ัด อ, อ, อ, อิบราฮีมไปประกาศ ท่านยืนประกาศท่านก็ยืนประกาศพี่น้องเชิญประชามฮัดอยู่คนเดียวนั่นาประกาศอแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะนำเอาเสียงของท่านนั้นไปถึงหูประชาชนทั้งคนเป็นกับคนตายเนเรื่องเก่านะกี่พันปีมาแล้วเนี่ยอัลลอ์เล่าให้ฟังฉะนั้นการประกาศเรื่องฮัดเนี่ยทำโดยใครนะนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลาม แล้อัลลอฮฺก็ต่อท้ายว่าไงนะยะตูกะยะตูกะจะมายังท่านจะมายังกะบ้า น, นี่นะริยาลันทางอะไรทางเท้าเดินมาคนนี่อยู่ใก ล, กล้ๆก็เดินมาคนจนก็เดินมาตรงนี้หนะโมลามาอธิบายว่าการไปทําฮัตนะถ้าชายเท้าเดินไปนี่มีผลบุญเยอะเพราะลงทุนเยอะ เห็นไหมฮามดูลิลาพี่น้องนบีอ of ิบรอฮีมประกาศเรื่องการฮัตนะอัลลอฮฺบ่าวัดฉันจะเอาเสียงของท่านเนี่ยไปถึงหูประชาชนทั้งหมดน่ะทั้งไม่ว่ามุสลิมและนอนมุสลิมด้วยฮามดุลิลาพี่น้องอาตอมาครับวะลาคุลีบามีรินบามิร์แต่ว่าขีอูดหรือว่าอูดอูดแบบไหนครับ อูดที่มันตัวผอมอ่ะพรามเดินมาน่ยเดินมาสมัยก่อนมีอูดเยอะมากขีอูดมาเนี่ยอูดจะมาถึงมากการเนี่ยผอมน่ะบอมีรินอูดตัวผอมๆคณะกรรมการเพราะอูดเพียวเพราะอดอาหาร อ, อูดเดินมาเดินมาเดินมาแต่ยิ่งอูดนี้ยิ่งเดินยิ่งอร่อยยิ่งเดินยิ่งดีทำด้วยล่ละฉะนั้นการไปประกอบพิธีหัตติมาการน่ะ สมัยก่อนนั้นอัลลอฮแนะนำบอกว่าให้เดินเท้ามาหรือไม่ก็ขี่อูฐทุกตัวมามาจากไหนครับยะตีนะพากันมามิงกุ ล, ลิฟัจยินนะครับต่างพากันมาจากฟัดยินอามิกแปลว่าแดนไกลไกลอัลลอฮฺอักบารจากทุกทุกทางทั่วโลกจะมีคนเนี่ยเดินเดินทางมา ใช้อูดบ้างชาเดินบ้างเดี๋ยวนี้ชายอะไรชายเครื่องบินพี่น้องสังเกตมีบางคนตำหนิว่าไอ้คนอ่านไม่ได้พูดเรื่องขบวนเครื่องบินสักนิดหนึ่งแต่นบีทําเป็นแบบอย่างเอาไว้นบีจะเยี่ยมประชาชนนบีชายอะไรนะเดินเยี่ยมประชาชนตามหมู่บ้านเนี่ยนบีจะชายอะไรนะชายลาแล้วก็ชายอะไรนะล่ อ, อเดินเยี่ยมประชาชน ถ้าจะเดินทางไกลนบีจะใช้อูดถ้าจะไปสงครานาบีจะใช้มาถ้าจะขึ้นเข้าฟ้อาอัลลอฮ์ไปรับนมาใช้อะไรบุรอกนี่งนบีทำแนะนํำมาไว้แล้วทมดูยลยละแค่นั้นถ้าต่ใครใครต้องการอย่างนาบีอิบรอฮีมที่ไปทีิงมาการี่พาภรรยาและลูกไปนะี่ใช้และใช่บุรอกนะ่ะใช้บุรอกบุรอกไปว่าอะไรรู้ไหม ความไวเหมือนกับฟ้าแลบบัตรคุณแปลว่าฟ้าแลบนะบุรอกหมาถึงสัตว์ชนิดหนึ่งนะที่ความไวของมันเนี่ยก้าวข้างเรียวเนี่ยโอ้โหอักบัตไกลามากแล้วก็ไวที่สุดนะนั่นไวเหมือนกับเหมือนอะไรนะเหมือนกับฟ้าแลบเราห้ำดูเลยเถอะเอาทีนี้ <c oughs> คุณอานอายะนี้ต้องการจะบอกว่าเมื่ออัลลอ์ได้ทรงพาอิบราฮีมและภรรยาและลูกเล็กของท่านมาอาศัยอยู่ที่กาบะอัลลอ์ได้ทรงสั่งนาบีอิบราฮีมนั้นสาเรื่องสั่งให้นาบีอิบราฮิมทำงานศ า, าสนาสามเรื่องเรื่องใหญ่ๆ ห, ห, หมดเลยครับข้อที่หนึง่งอัลลาตุสริกบิลละอย่าอะไรนะอย่าตั้งภาคีกับอัลลอ์นี่เรื่องใหญ่เลยนะ ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้ฉะนั้นนะเราจะต้องไม่ผูกตะกุดเราจะต้องไม่ไปหาโต๊ะเเกียรเราจะต้องไปหาไม่ไ ม, ไม่ไม่ไปหาหมอดูไม่ไปหาโต๊ะระยองสินทรัพย์สิสสทธิ์ทั้งหลายนั้นไม่มีรวมไปถึงผ้าเขียวผ้าแดงที่ตามจั่วบ้านรวมไปถึงอะไรนะจิ้งจกทักสมัยก่อนนี่ไม่ออกนะแต่ตอนนี้เราเรื่องพอใจสุนทรากันเพิ่มเพื่อ เ, เพิ่มขึ้นก็ ลดชิริกปฏิละน้อยละน้อยฉะนั้นชีริกเนี่ยมันจะเผยแพร่งามพ่อคนงูพ่อคนไม่เรียนศาสนา น, นี่แหละทาให้ชีริกเนี่ยมันเผยแพร่ตามหมู่บ้านกระจายไวเหลือเกินรวมไปถึงผ้าเขียวผ้าแดงผ้าหลายสีที่ผูกหัวเรือพี่น้องเราที่ชาวประมงแถวๆนู่นน่ะแถวใต้น่ ะ, นะผมเคยถามว่านี่อาผูกทําไมบางคนก็ตอบดีผูกให้สวยบางคนตอบว่าช่วยได้ ไอ้ผ้าเขียวผ้าแดงสีสีเหลืองๆที่ผูหัวเรือเนี่ยป้องกันได้หลายอย่างลมพายุมาก็ไม่ให้มีเรือเป็นอันตรายี่ดิริกทั้งหมดเลยเนี่ยพี่น้องฉะนั้นคนโง่เนี่ยพารีดไปเผยแพร่ตามตามหมู่บ้านต่างๆเรื่องที่หนึง่งอัลลอ์สั่งใหดีอิบราฮีมว่างานใหญ่นะอัลลา์ตุชริกบิลละนำเสนอให้กับชาวบ้านให้รู้ว่าอย่าไม่ให้เคารพ อื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ให้กราบอัลลอฮ์องเดียวนบีอิบราฮีมก็ถูกทดสอบอย่างหนักนะให้ทำงานศาสนาเรื่องที่สองวะตปะฮิรบไยตีจงทำบ้านของฉันให้สะอาดจ้าบะางอัลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งนบีอิบราฮีมมาสำเร็จสมัยนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮิละฮิวะสลาม ทำสำําเวยไหมสําเวยครับนี่ขณะนี้ฮามดุลิลลาการะบาเนี่ฉะนั้นในาศาสนาอิสลามมีของดีอยู่หกเจ็ดรายการดีที่สุดกต่นั่งพี่น้องเราต้องภูมิใจนะว่าในอิสลามเน่ยมีของดีเหลือเกินอ้าวอะไรบ้างคัมภีรที่ดีที่สุดในโลกนี้คือคัมภีร์กุรอานสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกนี้น ท, ท, ท, นนที่ไหนครับ มักกะใช่หรือไม่ใช่ใ ช, ใช่ทุกคนยอมรับหมดสามมะไรกะที่ดีที่สุดก็คือท่านยิบรีอลอะลัยฮิสลามทําไมต้องดีกว่าเพราะลาลมมาจากจากอัลลอ์เนี่ยมาหาใครมาหาเฉพาะผู้ที่เป็นนบีนบีนบีนบเท่านั้นเอาต่อมาอีกอะไรอ่ะตะกี้พูดอะไรนะพูดเรื่องสถานที่แล้วก็ สถานที่ที่ดีที่สุดคือที่มักกะและก็อะไรอ่ะนึกไม่ออกแล้วเนี่นึกไม่ออกจําได้มันมีอะไรบ้างของที่ดีๆทางอิสลามเนี่ยนะไอ้นั่นเป็นสถานที่ที่อัลลอฮ์ให้สิทธิเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเทียมอ่ะเอาแค่นี้ไปก่อนไ่น้องของดีๆอยู่ในศาสนาอิสลามหมดเลยอ่ะอบัดยังยังไม่พอใจะเหรออาละทำเลแล้วภาษา อาหรับเป็นภาษาที่ดีที่สุดพอเอาชายเอาไปพูดที่ไหนหนสวนสวรรค์ฮัมจุนิลลอร์ไม่ใช่ภาษาไทยไม่ใช่ภาษาอังกฤษแต่าภาษาอะไรนะภาษาอาหรับที่เอาไปสปีกในสวนสวรรค์เลยลฮัมจุนิลเลอร์โอร์บุร์บันเนี่ยของดีๆอยู่ศาสนาอิสลามหมดเลยฉะนั้นเราต้องภูมิใจนะที่ได้เป็นมุสลิมและได้มีโอกาสได้เข้าใจต้งาศาสนาและอย่าทําชิริกเป็นเรื่องใหญ่แลครับพี่น้อง เรื่องที่สามนะครับว่าอัลจินฟินนาเซบิลัจและจงประกาศการทำฮัดแก่มวลมนุษย์ทั้งหมดนี่เป็นหน้าที่ของนาบีอิบราฮีมอาล่อสั่งสามรายการทำครบไหมครบหมดทุกอย่างนี่ไงฮัมจุลิละในกุอานอายาที่ผ่านมาและอายานี้สรุปแล้วเอาล่อสั่งให้นาบีอิบราฮีมทำงานศาสนา เป็นงานที่ใหญ่และเป็นงานที่เหนื่อยแต่ท่านทันสำเร็จไหมสำเร็จครับอัลลอฮ์ทำโดยเลามีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งอย่าตั้งปาคีกับอัลลอ์ให้สร้างการบ้านก่อนพอสร้างเสร็จแล้วก็บอกว่าลาตุชริกบิลอย่าตั้งภาคีกับอัลลอ์ข้อที่สองวัดตอฮิร์ไบตีทาบ้านของฉันมาจนกาบ้านนั้นให้สะอาดข้อที่สามวัดอัลเดนฟินนาซบิลฮัจย์ และจงประกาศการทาฮัตแก่มวลมนุษยชาตทั้งหลายอัลลอฮ์พี่น้องนบพีอิบราฮมขอดุดมา์หลังจากสร้างกะมาเสร็จขอว่าไงรู้ไหมฟาจัลอาฟิดะตามินันนาสิตาฮุยอิไลหิมวรซุกหุมมินัสซามาราติลอัลลอฮฺยะสุรูนขอว่าอย่างนี้เลยอัลลอ์รับมาดูคําแปครับ โอ้ Allah จงทาให้หัวใจของมนุษย์ทั้งหมดนั้นมุ่งมายั้งกะบะผมเคยขอให้ศาสนากุทถามผ่อาญาหนี้ขอน่ฟจัลอัฟิดะตามินันนสตวีอิลาศาสนาพุทผมเคยขอน่ะอัลโลบะอ่านนะกูอ่านขออนบีบริเฮ้ยนบีริมขอแลวมาทั้งโลกเลยคนอ่ะ ใช่หรือไม่ใช่ไม่มีใครแอนตี้เลยไม่มีแล้วครับแอนมากันทั้งโลกเลยอัลลอฮ์รับดูอาร mm ์ท hmm. ่านดูอาร์ด้วน้องอย่าแต่งเองนะพยายามเอาเรื่องดูอาร์ของท่านนาบีน่ะเอามาใช้ mm hmm. แต่ทีนี้พอนบีประกาศปั๊บเนี่ยทุกคนยอมรับว่าไงละใบใช่ไหมนี่ละใบไปประกาศทิมัก้าเนี่ยประกาศว่าฉันนี่มาตามคําเชิญชวนของท่านอิบราฮีมแล้ว ละบายกัลลอฮุมมาละบายละบายกัลาชาริกาลาคัลลบายอินนัลฮัมดาวนิยมตาลาคาวลมุลลาชาริกาลาคันแปลดีไหมละบายกัลลอฮดู่อนนะโอ้อัลล์ฉันมาแล้วตามที่ท่านเชิญเที่ยวชายว่าละแบละแบเนะี่ยสับนี้แหละอ่าไปกินเชิญคนไปเชิญละแบมาสิ โอ้นี่ละบมาแล้วกับพวกเราที่เดินอย่นี้แหละละบายคือตอบรับคําเชิญชวนของคนที่ไปเชิญจึงเรียกว่าละแบหรือว่าลับาบเป็นภาษาลาบแต่พวกเราชาอร่อยจริงๆเฉพาะกินบุญอย่างเดียวละบายก็รอมาละบพี่น้องกระจายนะละบายละแบละแบายตัะงแต่นี้พอไปประกาศตรงนู้นละใบายก็ฉันมาแล้วตามคําเชิญชวนของคนอับดุลบลีมลาชารีกะลัก ฉันจะไม่ทําชิริกที่ไหนได้เพราะกลับจะมากาตะกุดมาแล้วตะกุดจากมากานั่นแหละผ้าใบาตุลโลตัดออกมาโดยที่เขารู้ทันก็นก็ยกสูงขึ้นเลยหมดโอกาสที่จะตัดผ้าใบาตุลโลมาทําอันสิมัตกับพวกเราเท่านั้นแหละมาทําชิริกไปประการ น, นะลาชดีการฉันจะไม่ตั้งภาคีใดๆทั้งสิ้นแต่เห็นผ้าใบาตุลโลไม่ได้ ท้ทาที่เปลี่ยนก็เปลี่ยนทุกปีนี่ผมไปทาองุ่นลอกตอนนี้เขาพาไปเยี่ยมกาบาไอเยี่ยมใบ้าใบตุ่ลอดเนี่ยผมถามว่าผ้าใบตุ่ลอดที่เปลี่ยนทุกปีไปอยู่ที่ไหนเขาบอกเข้าหษัตริย์หมดเลยอยู่ในวังอยู่ในวังเจ็บหมดเลยไม่ให้อามาวานทางโน้นมาก่อนเอามาแจกอ่ะพอแจกแล้วเอาไปทํามาซินมาจนหมดเลยโดยเฉพาะอินเดียเนี่ยไม่เบา โอ้โหชีริกในอินเดียนี่ชั้นหนึ่งเลยจชนกหเอาตกลงว่านบีอิบราฮีมได้ประกาศได้ทำงานใหญ่ๆกี่เรื่องนะสามเรื่องเรื่องที่หนึ่งอัลลอฮ์สั่งนะลอัลลาตุชริกบิลอย่าตั้งพาคีกับอัลลอฮ์ทำสำเร็จต่อสู้กับใครพอ่อใช่หรือไม่ใช่โอ้โหอ่ะผมอ่านฮะดิษพบนะคุณพ่อของนบีอิบราฮิมนะในวันกิยามานะ เจอกันลูกชายอ่ะอิบราฮิมบอกว่าพ่อพ่อไม่เชื่อลูกอ่ะนี่ถ้าพ่อเชื่อลูกนะพ่อไม่ลงนรกอ่ะแต่ตอนนี้เชื่อแล้ว ม, มีหวัวสายไปแ้พ่พอเลยตอนอยู่ในดุญญนยาเนี่ยถ้าเชื่อลูกนะอ๋อพ่อได้ไปสวรรค์ น, นะแต่นี่ก็ตกนรกอ่ะเห็นไหมท่านอาจารย์ว่าลูกกับพ่อจะสอนกันได้ไหมบางคนถือตัวน่าดูนะลูกจะสอนพ่อ ไม่ยอมไม่ได้แต่มันน่าคิดนะฉะนั้นลูกสอนพ่อได้ไหมได้แต่ต้องมีมารยาที่งามไม่ใช่พอไม่ใช่สอนนะใช้อารมณ์ไม่ใช่ต้องมีอัคราที่งดงามนาบีอิบรอฮิมรับเรื่องจากอัลลอฮ์มากี่เรื่องนะสามเรื่องแล้วก็ทําสําเร็จไหมสำเร็จทุกเรื่องนะครับพี่น้องการไปทําฮัจ นะครับเดินเท้าไปทำฮัสนาะดีที่สุดหรือมันก็ขี่อูดหรือมันกะชายานประหนะนะครับเอาต่อมาอ y ย t d i j ี่ a t liyashhadu manafiyaluhum อันนี้คำถามถามมาบอกว่าคนมุสลิมที่มีคน non นนมุสลิมไม่ใช่คนกาเฟตซื้อตั๋วให้คนมุสลิมไปทำฮั์ได้หรือไม่ได้ ท่านว่าได้ไหมได้หรือไม่ใช่ไม่ใช่มุสลิมอ่ะก็เห็นว่านนี้บ้านอยู่ใกล้กันคนกาเฟกัวนี่นะเขาไม่ได้ต่อต้านอิสลามนะถ้าเขาซื้อตัวให้เนี่ยรับได้เลยไม่มีปัญหารวมไปถึงโปกเกตมันนี่ด้วยเอามาเลยแสนแปดไม่มีปัญหาไปได้เลยใช่ไหมแต่ถ้าไปเดินขอทานไปไปทาบาจีนอย่าเดิน รวไปถึงผู้หญิงที่ไม่มีมหารอมมีเงินเยอะอยากจะไปทําฮ ادي ไม่มีมหารอมอะ่ละล้วแสบางคนมันยังรับนะเขาก็หาสตางค์กันนะนะหลายคนก็ไปแต่หลายคนที่เขารักสุนนะเขาก็ไม่ไปเพราะมันบาปตอนเดินทางนะครับไม่ต้องไปถึงจะมีเงินเยอะแต่ว่าอะไรนะไม่มีมหารอมหามหารอมง่ายจะตายไปน้องชายพี่ชายใช่ไหมล่ะพอ่อหรือแก็แต่งงานซะ ตไปเรื่องกันแต่หาคู่ไม่ได้บอกผมนึ่งช่วยหายใช่ไหมน่งแกมนแถวอยู่นี่แล้ว <laughs> ลพ <laughs> ระรามเต็มไปหมดนะ <laughs> อัลลอฮฺอะตาะมากบลียชฮะดูมานาฟี ع ุ ا ก م ม ي ล ك ر ا س า الله في آيات م ع ลูม ا ت على ما رزقهم َُ من ِ ب َ ه, ه م ِ الأنعام فكُلوا َ منها َ وأطعموا ََ البائس الفقير الله أكبر ليشهدوا َ منافع لهم ُ ويزكُر ََ اسم الله في أيانٍ معلومات علامات ر ز a ه م من بهيمة ا u أ ن ع م فكلوا منها وأقِم البائس ا ل ف ق ي a الحمد لله เนี่พูดถึงเรื่องวันอีดเลยครับลีอัล h าดูไปทำ hash เนี่ยได้อะไร อัลลอฮฺอธิบายนะเพื่อเขาจะได้อยู่เป็นพยานต่อคุณประโยชน์ที่อัลลอฮฺได้จัดไว้ไปทําฮัตเนี่ยได้ประโยชน์ทั้งดุลยาและประโยชน์ทั้งอาคีร์ร์ควบคู่กันมาหน้าเฟีย้ยแปล ว, ว่าประโยชน์ประโยชน์ทั้งดุลยาในแง่ของาศาสนาได้ไหมได้แง่ของอาคีระร์ได้ไหมได้แง่ของดุลยาได้ไหมได้ ค้าขายอาล่ะไปนั่งค้าขายท่า น, นคนซาอุดีเนี่ยหลายคนผมเคยถามนะท่านเนี่ยทําฮัตกี่ครั้งอายุก็เยอะแล้วนะห้สิบกว่ายังไม่ได้ทําเลยผาทําไมอะ่ะอยุดติด ก, กันมาแกไม่เห็นในช่วงช่วงฮัตเนาะคนเยอะเลยค้าขายไม่ได้มีโอกาสทำอาญีเลยเพราะมันค้าขายอย่างเงินเยอะมันเพลินได้ไหมหลืยาสซาดูเด็กคนเนี่ย คนต่างชาติก็มันการพข้าปรปจนนั้นนะอย่างอินโดนีเซียเนี่ยรัฐบาลเขาอานุญาตให้พาผ้าสโงเอาไปขายคนละกี่ผืนไม่รู้นะเราก็พางินกลับบ้านใช่ไหมประโยชน์เยอะมากเลยประโยชน์ทางดุลยาะโยชน์ท้งศาสนาประโยชน์ทังาาทอาคิีรออัลฮัมดุลิลละลิยัชฮะดูมานาฟิอาลาหุมเพื่อเขาจะได้อยู่เป็นพยานต่อคุณนะ คุณาประโยชน์หรือว่าสิ่งที่อัลลอจัดไว้เป็นประโยชน์กับพวกเขาไปต้องเข้าใจนะได้จังดุนยาและได้จักรอาคีบนะครับแล้วก็ข้อที่สองช่วงทำฮนะัทนะทำอะไรบ้างวายาสกูรุสมัลลและเอยอยาสกุรแปลว่า เ, เอยหรือรำลึก ถึงพระนามของอัลลอฮ์อิสมาลล์พระนามของ Allah. อัลลอฮ์เอยพระนามของ Allah. อัลลอฮ์เอยตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนนบีอธิบายไว้ครับวันฟัจริวลาเยลิน อ, อัสรีตั้งแต่10คืนของเดือนรุลฮิจัดตั้งแต่วันที่1เมื่อเห็นเดือนปับน๊บ1 2 3 4 5 6 7 8 9ถ้าถึ ง, ถ, งถึงวันอีด น, นี่นะ ช่วงเก้าวันสิบวันนี้เป็นช่วงที่ยาสกูรุสมัลลอเป็นช่วงที่ต้องรำลึกถึงอัลลอฮ์ให้เยอะนี่อยู่ในคัมภีรอัลกุรอานเห็นไหมเพื่น้องเห็นยังครับรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยว่าภาษาไหนดีที่สุดการรำลึกถึงอัลลอฮ์ว่าภาษานี้ครับอัลลอฮฺอัลลอฮอัลลอฮฺอัลลอฮ لا إله إلا الله ل ه أكبر الله أكبر و ل ل ه ا ل ح م الله ر ยาดีที่สุดครับ Allah أكبر a l l a أكبر หรือ سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله Allah คำศัพย์นี้แหละตั้งแต่วันที่หนึ่งรุ่นหายเรื่อยมาจนกระทั่งถึงวัน ฮจีนวันไรนะวันทาออกไปทำกุลบายไปทำมาดอีกนะฉะนั้นช่วงนี้นะพ่อที่ฉลาดก็ต้องนำเอาสุนนะนบีตามคุณอ่านเลยนะวายาสกุรุสมัลลอฟีอยยามนึมาลูนะมัตในวันทั้งหลายที่รู้กันอยู่แล้วอัลฮัมดุลิลลาฮิร๊า น, นึกถึงอ AH ัลลอฮ์เยอะๆชมอัลลอฮ์ถามว่าพ่อแมนะ่เคยเรียกลูกมานั่งแล้วว่าตักบพร้อมพร้อมกันเคยไหย Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا ا อ ل ه و الله أكبر Allahu akbar و لله الحمد การการตะเบียกคี pizza, honey, tasty, ่ค้งบางคนว่าสองคั้น Allahu yeah. akbar Allahu akbar บางคนก็ว่าสาม Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar แต่ว่า นบีเนี่ยว่าสองครั้งแต่บรรดาสุาบ้านเนี่ยเขาว่าสามครั้งตนอใครจะว่าสองว่าสามไม่มีปัญหาแต่ต้องให้ว่าอมันชะอยู่เฉยๆนะครับพี่นอ้องเอาต่อมาครับคําว่าอายามามาลูมัสในหลายวันที่รู้กันอยู่แล้วเนี่ยตับซีตอิบนุกซีตอธิบายว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งของเดือนรุล่งยุลฮุยยะ ถึงวันที่ส0บเดือนรุ่นฮิญาติทัศนาหนึ่งอธิบายนะตั้งแต่วันที่หนึ่งรุลนฮิญถึงวันที่10บรุ่ฮิญิเลยอีกทัศนาหนึ่งอุลามะบอกท่านอธิบายว่าเฉพาะสมวันเฉพาะสามวันวันอีดแล้วก็ยามมตตาชลิกอีกกี่วันนะอีกสามวัน่นสามวันหลังนี่แหละถึงหลังน้มาเนี่ยให้กล่าวอะไรนะอัลลอฮอัลลอฮอั لا إله إلا الله و الله أكبر الله أكبر ولله ل ح م د มาดูข il uh ok ั ka, ni, ang, re, mm re, mm ้นดูสามวันติดต่อกันหลังนมาศปฏิบัติตามอัลกุรอานหมดเลยครับล่ามดุลิลาอ่ะทีนี้รวมไปถึงเวลาเชื่อดสัตว์ก็เหมือนกันต้องเชื่อดสัตว์ต้องกล่าวนามอัลลอฮ์นะบิสมิลลาฮิอัลลอฮอักบัตัอัลฮัมดุลิลา ให้กล่าวว่าไงนะบิสมิลลาฉันเชื่อศัตร์ด้วยนามของอัลลอฮ์แล้วก็กล่าวว่าอัลลอฮฺอุลบัตติดตามไปด้วยฉะนั้นไม่ช่วงเอิหรือหลังอิหรือก่อนอิทุกครั้งที่กล่าวนามอัลลอฮ์แล้วก็ชมอัลลอฮ์ไปในตัวเดินบิสมิลลาห์อัลลอฮฺอักบัตนี่เวลาเชือดสัตรูฉะนั้นพวกนักเรียนศาสนาประชามธรรมะบอกว่าไปเอาไกลมาตัวนังโลูกเราเชื่อดด้วยต้องเชือดเป็นนะเชื่อว่าไงนะ บิสมิลลาฮิลลาหุอาบดับมีต้องคมเวลาเชือดสัตว์เนี่ยเนื้อกรูดานเนี่ยมัดช่วยฝากไปด้วยนะอย่าเอาวัวมาเชือดต่อหน้าวัวอีกตัวหนึ่งอย่าให้มันเห็นเลยอย่าให้มันได้ยินเสียงสงสารเพราะมันมันกลัวเวลาใจมันกลัวนะกระสารกะไดกระสารที่ออกมาหลังสารออกมาหลังสารกลัวเนี่ยเข้ามาไปในเนื้อ แล้วเราก็ไปทานเนื้อพอทานเนื้อไอสารที่มันติดความกลัวออกมามันลงไปในตัวเราก็กลัวด้วยฉะนั้นอยากให้มันได้ยินเสียงและอย่าให้มันเห็นสัตว์อีกตัวหนึ่งถูกเชื่อต่อหน้าสัตว์อีกตัวหนึ่งแล้วก็ปล่อยให้มันดิ้นเยอะๆสัตว์เนี่ยนะพราะอะไรนะยิ่งดิน้นดิ้นมากเท่าไรเลือดยิ่งออกมากเลือดยิ่งออกมากเนื้อยิ่งหวานแล้วก็อร่อยนะครับท่าเลือดให้ออกเยอะๆ เ น, นื้อเปล่าเนี่ยไปถูกมัดมันหมดเลยดิ้นก็ดิ้นไม่ได้ฮะรออัลบาปอให้มันดิ้นดิ้นไปดิ้นดิ้ดบนบมดเลือดมันออกเยอะออกเยอะอัลลอฮ์เนื้อวานอัลฮัมดุลิลละครับต่อมาครับอาลามารซาบหุมลุลลอ์ตามที่พระองค์ได้สรงประทานเครื่องยังชีพมินบะฮีมาติลอานามซึ่งเป็นปสสัสุสสัตสัตสีเท้า ฉ่นั้นนี่พูดถึงกุลบานด้วยนะพูดถึงการเชือดสัตว์สีเท้าอะไรบ้างอูดวัวแพะแกะไม่ใช่ไก่ไม่ใช่ฮานไม่ใช่พวกกระจอกเทศไม่ใช่ถึงจะใหญ่จริงก็ตามแต่เชือดสัตว์กุลบานต้องบาฮีมาติลอานามสัตว์สีเท้าแต่ควายไม่มีนะแต่อุลมะเขากิยาสมาเทียบเทียบเอา ในอินเดียเนี่ยลองไปเชื่ออู ด, ดูสิสงครามเลยไม่มีสิทธ์เชื่ออูไม่มีสิทธ์เชื่อดัวนอกจากหมู่บ้านนั่นเป็นหมู่บ้านมุสลิมและฮินดูไม่อยู่เชื่อดได้เลยแต่จะมีประสมผสมกันนะเขาก็ให้เกียรติกันนะเขาก็ไม่ยอมไม่ยอมเชื่อเลยนะเชื่ออูดัวเขาจะเชื่อควายกันนะทีนี้เมื่อเชื่อ เมื่อเชื่อเสร็จแล้วเนี่ยอัลลอ์สั่ว่าไงนะฟักูลูมินฮาดังนั้นจงกิน อ, อัลลอฮหุอัคบะษ์ฉนยังครับไม่ใช่เชื่อทิ้งนะฟักูลูมินฮาจงกินเนื้อของมันแล้วก็ทำอะไรอีกวาา่าอัตไอมุลบาบอิสแล้วก็จงให้อาหารอ้าไม่ใช่กินคนเดียวนะให้ให้อาหารอัตไอม ให้อาหารกับอัลบาอิสคนที่ยากจนอัลฟะตีดคนที่ลำบากยากเข็ญคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยให้นึกถึงคนจนๆเวลาเชื่อดสัตว์ทมกุรบานอุลมานาบีสอนอย่างนี้นะครับเชื่อดสัตว์ทมกุรบานเนี่ยให้เนื้อกุรบานเนี่ยแบ่งออกเป็นสามส่วนอา้าวนี่พูดเรื่อยๆให้เข้าใจง่ายๆ ให้แบบเนื้อกุลบานออกไปกี่ส่วนนะสามส่วนอ้าวเช่นยกตัวอย่างเนื้อกุลบานเรามีสามสิบกิโลสิบกิโลเอาไว้ที่บ้านอีกยี่สกิโลนะ่ะบริจาคให้กับคนจนจะ บ, บริจาคให้กับเพื่อนฝูงถึงจะไม่ใช่มุสลิมก็ให้ได้ไหมได้ไม่มีปัญหาฉะนั้นอย่า ก, กินคนเดียวหมดนะ แต่ถ้าจะจ่ายหมดเนี่ยได้ไหมได้ไม่มีปัญหาเพราะว่านี่ผมได้มาบูบาลได้มาอีกห้าพันจะทาบูรบาลเนี่ยก็บอกบริจาคให้เด็กนักเรียนสอสูตรประทหมดเลยไม่ต้องส่งไปให้ฉันทำทุนแล้วพี่น้องคนที่เชื่อกูราบาลแล้วไม่ขอเนื้อเลยจะมีมมีเยอะครับพ่อเขาสงสารเมตตาอยากจะทำบุญบางทีมาส่งจากปัตตานีจากยะลาในล า, นลานที่ว่าก็ส่งมาพี่น้อง มาคิดถึงเด็กกำพาเด็กคนไร้ศาสนาสูบบัตรัมมุลิลละอัลลอฮฺให้นะครับพี่น้องนี่เป็นกุณอ่านทั้งหมดนะสรุปข้าชายก็คือว่าการไปทําฮัทนั้นได้ทั้งด้านศาสนาได้ทั้งด้านดุนยาแล้วก็ได้ทั้งโลกอาคีรอแล้วก็ในช่วงการทำฮัทนั้นไม่มีอะไรดีเท่ากับําลึกถึงอัลลอฮฺรวมไปถึงคนที่ไม่มีโอกาสได้ไปทําฮัทก็ได้ําลึกถึงอัลลอฮฺ ภาษาที่ดีก็คือ س ุบ ا ن อัลลอฮ์อลัยฮัมดุลิลลาฮ์ลาอิลลาอิลลอฮ์ลลอัลลอฮ์หักบัดก็ว่ากันไปในบ้านของเรานะครับตลอดเวลาหลังจากนาม า, าตอีนแล้วต่ออีกอกวันนะอีกสามวันอัลฮัมดุลิลลาฮ์เปรนตอเมื่อเชื่อศัตรูทำกุลบารแล้วมาทําไงครับฟักูลูเก็บเอาไว้ทานตากคงตากเข็มได้ไหมได้ เ, เก็บไว้เป็นเดือนได้ไหมได้ไม่มีปัญหา แล้วก็ให้อาหารกับคนยากแค้นคนยากคนจนแล้วก็คนที่หิวโหยและคนที่ลำบากบริจาค ก, กับคนเหล่านั้นไปหวังอะไรครับหวังความโปรดปางจากอัลลอฮฺสุลตานหุวาตาะลอัลลอไปลมาพูดถึงเรื่องประโยชน์การทำฮั์อุมร์เนี่ยคนพวกนักประกอบการรวยกันเยอะนะแต่ไอที่เจ๊งก็มีเนะถ้าใช้เงินไม่ถูกไม่ถูกที่นะอัลลอจัดการให้เห็นหมดนะ อ๋อบางคยังติดพ ah ุกไม่ออกก็มีอัลอุลเละห์อต่อมาครับอธิบายคาว่าฮะดีษนิดหนึ่งท่านนบีสอนอย่างนี้นะครับมา m i ayamin ศ l a m a l a l n a أ ในช่วงหนึ่งถึงสบไม่มีอะไรดีนะครับ ที่จะปฏิบัติแล้วอัลลอฮ์พึงพอใจมาจาน้นให้การวิเคล่ะอ์เยอะนบีพูดว่าแม้แต่คนที่ไปออกไปทำสงครามนะก็ยังไม่ไม่จะรับผลบุญเท่ากับคนที่นึกถึงอัลลอฮ์ในช่วงสิบวันนี้ยกเว้นคนที่ออกจีฮาดและไปตายในสนามรบไม่ได้กลับมาเลยถึงจะดีกว่า กระจนะออกสนามรบแล้วไปเสียชีวิตเลยไม่ได้กลับเราไปฝังเรียบร้อยแล้วคนนั้นแหละจะมีผ ล, ลบุญมากกว่าแต่ท้าหาก็ไปแล้วยังยังกลับมาอีกเนี่ยนะการซิกรุลลอฮการกล่าวสุบฮานะลอฮฺอัลฮมดุลิลลาห์ในช่วงสิบวันนี้มีผ ล, ลบุญตอบแทนจากอัลลอดีที่สุดเรื่องที่สองน บ, บีนสอดนะครับมันเราฮิลาละซุลฮิจจ ใครที่เห็นเดือนรุ่งไหจยาอย่าลืมเห็นเดือนต้องอ่านอุอาด้วยนะบางคนยังอ่านไม่เป็นเลยบางคนอ่านแล้วก็ลืมแล้วใช่ไหมเพราะ น, น า, านๆอ่านทิ้งใช่ไหมใครที่เห็นเดือนรุ่งไหจยาว่าราจะอาออยุต่อฮียจะต้องการที่จะเชื่อสัตว์ทำกุรบานฟลายาคุสมินซาลีฮีอย่าตัดผมว่ามินอัลฟาลีอย่าตัดเล็บตัดเล็บ ถ้ารู้ตัวว่าเราจะทำกุฎบานให้รีบตัดก่อนก่อนที่จะเห็นเดือน่รีบเลยตัดสิบวันไม่ยาวครับสิบวันไม่ยาวนะจากนั้นคนจะทำกุฎบานนะแต่คนไม่ทำาไมมีปัญหานะครับอ่ะทีนี้สิ่งที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการถือศีนอดในวันที่เก้าของเดือนรุลงิจะได้อะไรเ ล, ลาอ่านจากฮะดิษแล้วกำลังใจมาเยอะ บรรทึกไว้ามาุสลิมนบีบอกงี้ได้ผลลบุญสองปีปีที่หนึ่งอยู่กาฟิรุสแลนะอัลมาดยยวัลบาเกียอัลลอฮ์จะลดโทษความผิดของเขาถึงสองปีปีที่ผ่านมาและปีต่อไปดีไ้มถือบวดวันเดียววันที่เก้าดุลฮิญยาผลลบุญอัลลอฮ์ให้สองปีอัลลอฮ์อักบัะ นั่นปีนี้เนียดนะพวกเราเนียดทุกคนนะเนียถือสินอดในวันที่เก้ารุ่นหินจ้ะวันที่เขาทําอะไรกันนะอยู่ที่ทุ่งอาร์ฟ้าเนี่ยอ่าวูกูฟวันนั้นและอาร์ฟ้าเนี่ยเราก็อยู่เมืองไทยอยู่ไม่จะอยู่ในอาดับเราก็ถือสินอดได้ผลประโยนเท่าไหร่นะอ ล, ลอนลวดโทษกี่ปีสองปีปีปีอะไรนะปีที่ผ่านมาและปีอะไรนะี่ย <laughs> มาดียะปีที่ผ่านมาและปีต่อไปอัลฮัมดุลิลลาอัลลอฮุอะบดัฉะนั้นข อ, อย้ำอีกทีนะครับภาษาที่ชมอัลลอ์ในวันนั้นก็คืออัลลอฮุอะบดัลสุบฮามอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาและอิลลาอิลลอฮ์อัลลอฮฺอับาถว่าพูดง่ายจะพูดยากง่ายแต่มันลืมมันลืมไม่ได้นึกไม่ได้นึกเลยอัลลอ์มารู้จ ยังอื่นนะพูดได้หมดแต่สีประโยคนี่พูดไม่ก็ได้ก็ขอทางอาตัดล้ น, นะให้พ่อแม่เป็นดเรกเตอร์อยู่ในบ้านนะครับอาตอมาอาจาที่29สุมมับยักดูต a ฟาส a f a s u m wal yufunuzurahum wal yappawafu bil b a i t สมมัลยักดูตาฟาสะหุมวัลยูฟูนุซูรหุมวัลยัตตาวัฟุบิลบะไติลอาตกนี่พูดเรื่องฮะยีเลยนะพี่น้องแล้วจากนั้นก็จงให้พวกเขาผู้ทำฮะยีเนี่ย จัดการทําความสะอาดธธพอทำบัจีเสร็จแล้วว่าทําไหมนะโกนผมอ่าหรือก็ตัดผมนะครับเนี่ยอธิบายเจนการทำฮัทนะแต่นี่เราไม่ใช่ทำฮัทนะฮัทต้องอธิบายยาวอะนะแต่ผมไม่อธิบายนะอะไร หลังจากทำพัดเสร็จแล้วไ่ทำไงนะให้โกนผมให้ตัดผมอ่าเอาทีนี้แล้วก็จงทำเรื่องการบนให้ครบเราบนอะไรไปถ้ามีบนบนไว้บางคนบนว่าจะเชือดนั่นเชือดนี้ทำนั่นทำให้มันครบไปซะนะครับนี่อลัลลอสั่งนะเนี่ยบางคนเนี่ยมุดจำได้เมื่อสามปีที่แล้วเนี่ย มีผู้ใหญ่อยู่คนหนึ่งก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยบอกกับพ่อจะทําพุทธบาลสองตัวแต่แลราพอบนไว้พอพูดอย่างนี้นะพ่อกรเสียชีวิตนะ่ะลูกก็เดินมาปรึกษาผมอาจารย์พ่อพ่อเขาสั่งไว้ว่าจะทําพุทธบาลพอสั่งไา จ, จะสองเดือนแล้วพ่อก็เสียชีวิตก็ทำไงก็ต้องทำํำตังไมีมากก็ตังเยอะทำทีท่สักก็ทำเลยไปน้องจากนั้น ใครที่บ่นอะไรไว้ปฏิบัติให้ครบตามที่เขาบนไว้แต่ปัญหามีว่าจะของกินกินไม่ได้นะถ้าบนแล้วจะกินไม่ได้เขาไม่ให้กินให้บริจาคอย่างเดียวเลยห้ามดูลิเลยแล้วร้องอีกนะครับวัลยัตาวาฟูแะลจงเดินตาวาฟเดินตาวาฟวัลยัตาวาฟูให้เดินตวาฟบิลไบติลอาติ อ๋อ น, นี่เอา ล, ล้อใช้สำนวนใหม่นะมัสยิดฮารอมเนี่ยชื่อว่าบจ้ะบตุลอาตีกอาติกภาษาอังกฤษเอาไปใช้แอนติกแอนติกแปลว่าอะไรนะเกา่ารโบราณใช่ไหมภาษาอังกฤษนึกไม่ออกฉันลอกกูรานดีกว่าง่ายกว่าแอนติกก็คืออาตีแปลว่าบ้านโบราณแต่แต่นาย ต, ตั้งิทอธิบายดีนะคําว่าไบตุลอาตีกเนี่ย บ้านอิสระปลอดจากการถูกคุกขามไม่มีกษัตริย์ใดในโลกเลยที่เข้าไปคุมกะบะมีอยู่ท่านหนึ่งต้องการที่จะไปยึดกะบะเสร็จแล้วเป็นไงครับตายวะอัสซาลาอลฮิมปลอยรอนอบาบีอัลลอฮ์ส่งนกมาครับเลี้ยงหมดเลยตายช้างก็ตายอะไรก็ตายหมดแคนั้นไม่มีกษัตริย์คนใด ที่โหดร้ายโหดเหี้ยมนะครับไม่มีโอกาสได้ไปทำลายกะบะได้แต่พุ่กลัวมุสลิมจะทำลายเองเลที่เสียวนะกลัวมุสลิมจะรากกันไปบ้านแอนติกอารติอเป็นบ้านเป็นบ้านที่เป็นบ้านอิสระปลอดจากการถูกคุกคางมาบ้านอิสระ พอจะการถูกคุก ค, คามเอาล่ะพี่นอ้องอทน น, นี้ถามท่านพี่น้องว่าคนที่ไปทําฮาชินี์น่ะตะว่าบกี่ครั้งตว่าบจริงๆกนะี่ครั้งตว่าบคนที่ไปทำํำอย่างพวกเราอี่างตัมมาตัวหมดเลยนะทํำตัมมาตัวตัมมาตัวตัมมาตัว ต, ตว่ตวาบสามครั้งตว่าบครั้งแรกเขาเรียกว่าตว่าบทาอุ่มระอ่าพอมาถึงนะครมาก า, าพับคอชุดเอรอมใส่แล้ว ก็ไปเข้ามากักกะก็ไปเดินต ว, วารใช่าแล้วก็ท้าซาแอลต ว, วารเสร็จแล้วก็นมาสมสวรรคแล้วก็ไปซาแอแล้วก็โกนผมจบตั้งตวารครั้งที่หนึ่งแล้วต่อมาต ว, วารครั้งที่สองตอนตอนทำฮะดีแล้วก็ตะ ว, วารอีกขั้นหนึ่งต ว, วารผู้บินดาตววาาราบอัมลาท่านทำได้ใช่ไหมควรจะจําได้นะจบเดี๋ยนี้ ถ้าต่ว่าวันธรรมดานี่ได้ไหมได้เลยไม่มีปัญหาแทนน้ำมานฉันไม่อยากน้ำมานเดินแต่ว่าเอาอะไรเดินไปเลยตอนเจ็ดต้องทำในแล่เนี่ยชั้นสองนะ่ะแอบไปขึ้นชั้นสอตอนนี้ก็มีมีบันไดเยอะมาผมคุยภาษาพูดดูใจผมบอกชั้นสองอยูนะ่ไนช่วยพาไปหน่อยพาเลยไลยให้มันสิบเหรียนพุทธพาไปเลยนั่งรถไปด้วยทำอย่างไร พวกอินเดียคุมหมดภาษาอุ ด, ดูคุมหมดรอฮุกอักเบดพี่น้องเอาทีนี้ผู้หญิงที่มีประจำเดือนตะ ว, วัฟได้ไหมเอาถานมกเรียนได้หรือไม่ได้ผู้หญิงมีประจำเดือนตะ ว, วัฟได้ไหมไม่ได้แสแอได้แต่ตะ ว, วัฟไม่ได้เห็นไหมะฉะนั้นมัสยิดกุม๊มฮะกันเนี่ยมัสยิดในเราเนี่ย ผู้หญิงที่มีประจำเดือนเดินผ่านได้ไม่ควรที่จะมานั่งให้เกียลฮัมดลิลยเลยน้องอสรุปค่ค่ายก็คือใครที่คิดโสกโปกปที่จะทำลายการบ้านของอัลลอฮฺอัลลพูดว่าใบาตุลอาตอาติกอะไ ร, ไรนะบ้านอันโบราณหรือบ้านอิสระปลอดจากการถูกคุกคามทุกชนิดไม่มีใครกล้าที่จะคิดโสกะปกทำ บ, บ้านของขอัลลสุบฮานอูบานา Kita a k memilih belas mud belas. u b h a n a k a l l a h u m m a wa bihamdika. Asadualla ilaha illa anta astagfiru l a k a a t u bi lailik. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.